กับโปตถาปาทะปริพาชกได้ไปเฝ้าพระผู้มีพระภาคโปตถาปาทะปริพาชกกราบทูลเล่าว่าเมื่อพระองค์เสด็จกลับคือในวันที่เสด็จไปนามมาลิการามนั้นพวกปริพาชกพากันกล่าวแดกดันข่าพระองค์ว่าไม่ว่าพระองค์ตรัสอะไรข่าพระองค์กราบทูลรับรองไปหมดว่ า, ย า, าอย่างนั้นพระเจ้าข่าอย่างนี้พระเจ้าข่า